ย น, นะยามสงบเราฝึกนะยามศึกเรารบอันนี้มันไม่ใช่แค่สำนวนนะมันเป็นหลักการหรือแนวปฏิบัติของทุกประเทศเลยก็ว่าได้ก็คือว่าในยามที่บ้านเมืองสงบคือไม่มีศึกสงครามนก็ไม่ใช่ว่าจะนั่งน่นอนนอนเพลิดเพลินไปกับความสงบ ไม่มีศึกสงครามก็เลยจะทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ในยามสงบนี่นแหละนะั่นคือเวลาที่เหมาะสำหรับ ก, การฝึกฝึกที่ว่านี้ก็หมายถึงฝึกทหารมีการซ้อมกันอยู่ประจาเพื่ออะไรนะเพื่อว่าถึงเวลาเกิดศึกสงครามนะกไ็ได้พร้อมรบที่จริงอันนี้มันไม่ใช่แค่หลักการของนานาประเทศเท่านั้นนะ จริงๆแล้วนี่มันก็น่าจะเป็นหลักปฏิบัติของคนเราทุกคนด้วยไอ้ศึกที่ว่านี่นะมันก็ไม่ได้ไหมายถึงศกสงครามแต่หมายความว่าความทุกข์เหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับคนเราก่อนที่เหตุร้ายมันจะเกิดขึ้นเนี่ย ชีวิตเราก็ราบรื่นเป็นสุขเป็นปกติสาหารับคนที่ไม่ประมาทเนี่ยนะในยามที่ปกติสุขนะชีวิตปกติสุขเนี่ยก็ไม่ควรจะเพลิดเพลินไปกับความสุขสบาย แต่ควรจะฝึกฝนฝึกฝนตนเพื่ออะไรนะเพื่อให้พร้อมกับบุปผสักหรือความทุกข์หรือเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นข้างน้างแต่เรียกว่ามันเป็นศึกสงครามก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นสงครามชีวิตหรือว่าสงครามที่เกิดขึ้นกับทุกชีวิตไม่มีชีวิตใดหรือคนใดในจะ รอดพ้นจากไอ้สงครามหรือความทุกข์ชนิดนี้ได้เดี๋ยวนี้เนี่ยหลายประเทศเนี่ยนะเขาแทบจะไม่ต้องห่วงศึกสงครามจากภายนอกแนละ้วบางประเทศนี่ก็ไม่ได้ทำสึกสงครามมาเป็นร้อยปีแล้วแม้แต่ประเทศเราเนี่ยศึกสงครามที่เกิดขึ้นจากภายนอกเนี่ย หรือเกิดจากต่างชาตินี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วบางประเทศนี่อาจจะไม่ต้องเจอศึกสงครามนีเป็นร้อยปีเลยแต่แม้กระ น, นั้นเขาก็ยังประมาทไม่ได้ก็ต้องมีการฝึกฝึกทหารฝึกอะไรต่ออะไรมากมายเพื่อเตรียมพร้อมระบมือความ ส, สงครามซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องมันไม่ใช่แค่ฝึกทหารอย่างเดียวมันต้องฝึกหลายอย่าง วมถงใ น, นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของอหลักประกันทางเศรษฐกิจฉนันนกัฉันนั้นนะคนเราเนี่ยไม่ช้าก็เร็วเนี่ยก็ต้องเจอกับความทุกข์เจอความ ผ, ล ผ, ลผลันผวนป่วนแปรในชีวิตซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นสงครามย่อยๆไปแเช่อนอะไรบางเช่นความเจ็บความป่วย ความการสูญเสียทรัพย์การพัดพลากจากคนรักการตกงานการพลัดที่นาคาที่อยู่ไม่ได้กินอิ่มนอนอุ่นไอ้ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยแม้ว่าจะยังไม่เกิดนะกับหลายคนหรือผู้คนจํานวนมากเพราะว่ายัางหนุ่มยังสาวยังมีสุขภาพดียังมีงานการที่มั่นคง ยังกินอิ่มนอนอุ่ น, นยังมีคนรักอยู่รอบตัวเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดและมันก็ค่อนข้างจะแน่นอนว่าไอ้สิ่งที่สุขสบายในวันนี้นะมันก็จะต้องแปลไปเป็นความทุกข์ในวันหน้า ที่ไม่เคยป่วยก็ล้มป่วยที่เป็นหมุนเป็นสาวก็แก่ชาราที่พรักพร้อมด้วยคนรักพ่อแม่ยาสนิทมิสหายต่อไปก็ต้องพัดพรากทรัพย์สมบัติที่มีก็อาจจะมีอันต้องสูญเสียธุรกิจที่มี ก็อาจจะถึงขั้นล้มละลายเคยมีการงานที่มั่นคงก็อาจจะตกงานเพราะว่าเศรษฐกิจเกิดวิกฤตขึ้นมาอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ20ปีที่แล้วเพราะนั้นในขณะที่ชีวิตยังปกติราบรื่นเนี่ยคนที่ฉลาดคนที่มีปัญญาก็จะไม่ประมาทบางอย่างอาจจะไม่เกิด เช่นเศรษฐกิจเช่นธุรกิจล้มละลายหรือว่าพัฒนาคาที่อยู่แต่บางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนเช่นความเจ็บความป่วยความแก่ชาราถ้าไม่บังเอิญตายซะก่อนความพัดพลาคจากคนรักไม่ว่าจากเป็นหรือจากตายแต่ที่ว่านี่มันเกิดขึ้นแน่นอน เพราะนั้นในยามที่เราสุขสบายชีวิตไปปกติเนี่ยก็ไม่ควรนิ่งนอนใจนควรเตรียมตัวไว้สำหรับการรับมือกับภัยอันตรายหรือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าซึ่งการเตรียมตัวที่ว่านี่มันไม่ได้หมายความเฉพาะว่า เก็บพร้อมรอมลิฟจะได้มีเงินเอาไว้เยียวยารักษาตัวเองในยามเจ็บป่วยหรือว่าเอาไว้เลี้ยงตัวในยามแก่ชาราไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ว่าทําประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันทรัพย์สินอันนั้นไม่พอนะมันต้องทํามากกว่า น, นั้นบางคนอาจจะนึกถึงการทําบุญทํากุศลเอาไว้เพื่อเป็นสเสบียง เป็นหลักประกันในภายภาคหน้าเผื่อว่าเกิดลำบากขึ้นมาเจ็บป่วยสูญเสียทรัพย์อมันก็จะมีบุญกุศลมาช่วยอำนวยให้แคล้วคลาดจากอันตรายหรือว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีหลายคนก็มีความเชื่อแบบนั้นเพราะนั้นก็เลยตั้งนางตาทำบุญทำกุศลกันเป็นการใหญ่ แต่มันก็ไม่พอนะสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้ก็คือการฝึกใจยามสงบเราฝึกเนี่ยนะมันไม่ใช่ก่ฝึกทหารสำหรับประชาชนแต่ว่าสำหรับแต่ละคนเนี่ยยามสงบมันจาเป็นต้องฝึก ตนฝึกจิตฝึกใจด้วยฝึกอะไรนะฮะก็ฝึกให้ใจมีความสามารถในการรับมือกับความทุกข์ซึ่งหลายอย่างก็หนีไม่พ้นเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ย แม้ว่าเราจะป้องกันได้ยากแต่น้อยเนี่ยก็ควรมีความสามารถในการรักษาใจเช่นเวลาสูญเสียก็อย่าเสียศูย์เวลาเสียทรัพย์ ก็เสียแค่ทรัพย์นะใจไม่เสียเวลาป่วยกายเวลาเจ็บป่วยก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยหรืองานล้มเหลวแต่ว่าใจไม่ล้มเหลวชีวิตไม่ล้มละลายอันนี้คือสิ่งที่ทำได้นะไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ว่า พอเสียทรัพย์แล้วนี่ก็ต้องเสียใจร้องไห้ค่ำครวนขับแค้นพอเจ็บป่วยแล้วนี่ก็ไม่ได้แปลว่าใจมันต้องเจ็บป่วยตามไปด้วยเวลาง า, งานล้มเหลวก็ไม่ใช่ว่าจะต้องตี อ, อกชกหัวนะจนถึงขั้น ซึมเศร้าหรือคิดฆ่าตัวตายเดี๋ยวนี้หลายคนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยสอบเข้าหมาหาวิทยาลัยไม่ได้ถึงกับคิดฆ่าตัวตายเลยสอบตกแต่ว่าจิตไม่ตกนี่มันทำได้นะแต่มันจะทำได้นี่เพราะมันต้องอาศัยการฝึกฝึกอะไรนะฝึกสติ พอเวลาเกิดเหตุร้ายเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังมีความโศกความเศร้าความขับแค้นความวิตกกังวลความโกรธแต่ถ้าว่ามีสติรักษาใจมันก็ไม่ทำให้ใจเนี่ยเสียสูญได้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยไม่ใช่ว่าพอมันเกิดขึ้นปุ๊บนี่มันจะ ทำให้เราเป็นทุกทันทีไม่ใช่นะมันไม่ได้เกิดขึ้นอัตโนมัติแบบนั้นถ้าเรามีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยใจไม่ทุกข์ก็ได้นะถ้าว่าเรามีสติรู้ทันเห็นความโกรธเวลามีความโศกความเศร้าเนี่ยไม่ใช่เกิดปุ๊บนี่เราจะเศร้าทันทีไม่ใชนะ่ถ้าว่ามีสติเห็น รู้ทันความเศร้าเนี่ยมันก็ทําอะไรจิตใจไม่ได้อย่างที่หลวงพ่อคำเขียนใช่คําว่าเห็นถ้าเห็นมันก็ไม่เข้าไปเป็นเห็นความเศร้าเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นผู้เศร้าเห็นความโกรธเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นผู้โกรธเห็นความทุกข์เมื่อไหร่มันก็ไม่เป็นผู้ทุกข์เนียตรงนี้เนี่ย ถ้าไม่เจริญสติไม่เข้าใจนะมันเห็นได้ยังไงนะเห็นความโกรธและไม่เป็นผู้โกรธนี่มันคืออะไรนะหลายคนไม่รู้นะเป็นผู้โกรธนี่นคืออะไรเพราะโกรธที่รายมันเป็นทุกทีไม่เคยเห็นเลยที่ไม่เคยเห็นเพราะว่าไม่เคยฝึกสติเลยไม่เข้าใจนะว่า ว่าเป็นผู้โกรธมันเป็นยังไงทั้งที่มันเป็นอยู่ตลอดเวลาหรือเป็นอยู่บ่อยๆเป็นผู้โกรธเป็นผู้เศร้าถ้าฝึกสติจนกระทั่งเห็นความโกรธมันก็จะรู้มันก็จะแยกแยะได้เห็นความแตกต่างระหว่างการเห็นกับการเข้าไปเป็นหรือการเป็นผู้เป็น ถ้ารามีสติรักษาใจเนี่ยนะแม้มันจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นจนเกิดอารมณ์โศกอารมณ์เศร้าเกิดความโกรธเกิดความขับแค้นใจมันก็ไม่สามารถจะทำให้ใจเป็นทุกข์เดื่อมหน้าของอารมณ์เหล่านั้นได้เลยและที่จริงแล้วเนี่ย ถ้ามีสติที่ไวพอเนี่ยอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ทันจะเป็นความโกรธนะเพียงแค่มันเกิดประกายขึ้นมาเช่นเกิดความหวั่นไหวเกิดการกระเพื่อมเกิดประกายแห่งอารมณ์เช่นไม่พอใจหรืองุหงิดมันก็จบตรงนั้นแหละมันไม่ลามเป็นความโกรธ เวลาผิดหวังนะมันก็ไม่ลามกลายเป็นความคับแค้นหรือไม่ลามเป็นความซึมเศร้าแต่ที่อารมณ์มันรุนแรงกลายเป็นความโกรธกลายเป็นความพยาบาทการเป็นความแค้นกลายเป็นความโศกเศร้าตี อ, อกชกหัวเนี่ยเพราะว่าไม่มีสติรู้ทัน เอาลมเหล่านั้นปล่อยให้มันลามเหมือนกับไฟป่าเนี่ยนะที่มันไหม้กันเป็นร้อยร้อยไร่เนี่ยเปน็นพันพัไร่หรือบางทีเป็นแสนไร่เนี่ยหลายครั้งนั้นมันเกิดจากสเก็ดไฟสเก็ดไฟนิดเดียวเองไฟที่ไหม้กันในเมืองไทยแล้วหลายประเทศเนี่ยหลายแห่งเลยนะมันเกิดจาก สะเก็ดไฟที่มันลอยจากที่อื่นแล้วพอมันตกลงมาในกอหญ้ามันก็เริ่มลุกที่แร่มก็ลุกเป็นเปลวไม่มากแต่พอได้ลมช่วยหรือว่าพอหญ้านี่มันหนามากมก็จะลามกลายเป็นไฟที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วเปลวไฟก็สูงแล้วก็ร้อนแล้วก็แรง ดับยากแล้วทีนี้แต่ตอนที่มันเป็นประกายไฟเนี่ยหรือสะเก็ดไฟเนี่ยนะมันดับง่ายแค่เอาเท้าเหยียบหรือถุยน้ำลายเนี่ยหรือบางคนใช้ใการฉีเอามันก็ดับแล้วถ้าดับได้ทันท่วงทีหรือว่องไวเนี่ยมันก็จะไฟก็จะไม่ลามในการมีสติเนี่ยมัน สำคัญตรงนี้แหละนะคนไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าสติมันสำคัญยังไงเพราะคิดว่าเราก็มีสติอยู่แล้วแต่ที่มีนะ่มันเป็นสติที่งุ่มงามเชื่องช้าแต่ถ้าเราฝึกสติให้ไวนี่นะเวลาเกิดความสูญเสียขึ้นมาเกิดเหตุร้ายขึ้นมาแล้วอารมณ์มันเกิดขึ้นตามมาในใจ เราก็จะมีสติรูทันไม่ปล่อยให้อารมณ์นั้นลุกลามหรือถึงแม้ว่าเผลอให้ปล่อยให้มันลามแล้วกลายเป็นความโกรธความเศร้าก้อนใหญ่แต่มีสติทันมันก็อารมณ์เหล่านี้ก็ไม่สามารถข้องงาใจได้และพอมันไม่มีอะไรหลอเลี้ยมมันก็ค่อยดับไปใการเจริญสติมันสงคันตรงนี้นะ และนอกจากสติแล้วเนี่ยคือปัญญานะปัญญาคือความเข้าใจการเข้าใจความจริงเข้าใจความจริงว่ามันมีขึ้นมันมีลงเสนะื่อได้ลาบก็บเสื่อมลาเป็นของคู่กันได้ยก่กระเสื่อมย่เป็นของคู่กันสารเสรินินทาเป็นของคู่กันพอมีปัญญาแลแม้เพียงระดับนี้เนี่ยนะ เวลาใครชื่นชมสรรเสริญก็ไม่ปลื้มนะเพราะรู้ว่าเดี๋ยวก็ต้องตามด้วยการต่อว่าดาทอเวลาได้ทรัพย์ได้ยศก็ไม่ได้ปลื้มหลงไหลเพราะรู้ว่าไม่นามมันก็จะเสื่อมไปสลายไปกลายเป็นตรงข้ามาคนที่เขามี ปัญญาเข้าใจในเรื่องของโลกธรรมแเนี่ยถึงเวลาเขาเจอโลกธรรมฝ่ายลบเนขาก็จะไม่เสียอกเสียใจไม่ฟูมไฟมากยิ่งถ้ามีความเข้าใจนะเห็นแจ้งว่าไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้เลยเพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันไม่ทนและมันไม่ใช่ตนคืออนิี้จังทุกขนะตายมันก็จะรู้เลยว่าไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้ ถึงเวลาที่อะไรอะไรปลาปวนมันก็ไม่ทุกข์ไอ้ที่ทุกข์เพราะว่าสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันแปลเปลี่ยนไปถ้าไม่ยึดในสิ่งนั้นแม้สิ่งนั้นแปลเปลี่ยนไปใจก็ไม่ทุกข์เพราะามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรืออย่างน้อยเนียเน่ยนะก็เห็นกระทั่งว่า มันไม่มีอะไรที่เป็นเรเนของเราไม่มีอะไรที่ยึดว่ายึดมาเป็นกูนของกูได้เวลาเจ็บป่วยเออมันก็ป่วยแต่กายแต่ว่าเห็นเลยนะว่ามันไม่มีกูผู้ป่วยเพราะทั้งเนื้อทั้ ง, ง, งตมมันมีแต่รูปกับนานมีแต่กายกับใจไม่มีอะไรที่ยึดว่าเป็นกูหรือของกูรวมทั้งไม่มีตัวกูของกูมาซ้อนรูปนามเหล่านั้น จึงเวลากายป่วยใจมันก็ไม่ป่วยด้วยเพราะมันไม่มีกูผู้ป่วยอันนี้มันก็เกิดจากการที่มีปัญญานะเห็นความจริงซึ่งมันช่วยทำให้เวลาเกิดเจ็บนะป่วยขึ้นมามันก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยเวลาเสียทรัพย์มันก็เสียแต่ทรัพย์นะแต่ว่าใจไม่เสีย เจอความสูญเสียยังไงมันก็ไม่ทำให้ใจเสียสูญได้และนี่แหลนะคือสิ่งที่ช่วยรักษาใจนะไม่ให้เป็นทุกข์ในยามที่เจอกับศึกสงครามนะที่เกิดขึ้นกับชีวิตนั่นะคือการที่ถูกความไม่เที่ยงถูกความเป็นทุกข์เนี่ยมันมันทำให้สิ่งที่รักสิ่งที่ผูกพันมันเสื่อมสลายไป และการเจริญสติการเจริญปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะนั่งคิดเอานะมันต้องปฏิบัติมันต้องฝึกแล้วฝึกตอนไหนก็ฝึกตอนที่ยังมีสุขภาพดีตอนที่ยังหนุ่มยังสาวตอนที่ยังไม่เจ็บไม่ป่วยตอนที่ยังยังกินอิ่มนอนอุน่นนะตอนที่ยังมีการงานที่มันคงเพราะมันคือเวลาที่สะดวกที่สุดจะไปฝึกเอาตอนที่เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วนี่มันจะไหวเลย เท่ากับประเทศที่ไม่มีการฝึกประชาชนเลยนะให้เตรียมพร้อมกับศึกสงครามเนี่ยถ้าเกิดสึกสงครามเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะไปสู้รบกับเขาได้อย่างไรอันนี้คือผมว่าทำไมเนี่ยถึงแม้ไม่เจ็บไม่ป่วยถึงแม้ยังไม่แก่เนี่ยเราจึงควรจะฝึกการเจริญสตินะการสร้างปัญญาหรือเรื่องง่ายๆว่าปฏิบัติธรรม หลายคนมักจะพูดว่าเนี่ยฉันยังไม่ทุกเลยจะปฏิบัติทําไปทําไ ม, ไมตอนนี้ฉันก็สุขสบายดีอยู่แล้วนะจะปฏิบัติทําไปทําไมนะตอนนี้ฉันก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรไม่เห็นจำเป็นต้องปฏิบัติทําเลยอันนี้คือความเห็นหรือคําพูดของคนที่ประมาหรือเป็นคนที่ไม่ตระหนักว่าชีวิตในวันข้างหน้าจะเจออะไร และจริงคนที่พูดเนี่ยนะแบบนี้จริงๆมันก็ไม่ได้มีความทุกข์ไม่ใช่ว่าความทุกข์รอยอยู่ข้างหน้านะความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่สังเกตหรือว่าอาจจะกลบเกลื่อนนะอย่างที่เราสวดทุกทุกวันะทุกเช้าเนี่ยเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วนะไม่ใช่ความทุกข์มานลอยอยู่เบื้องหน้าเท่านั้นนะความทุกข์มัน เกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยเรียกว่าความมันอย่างอยู่มันอย่างเราเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วไองานที่ัมั่นคงเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราเครียดบ้างเลยเหรือคนรักที่มีอยู่พร้อมหน้าเนี่ยไม่ได้ทำให้เราวิตกกังวลบ้างเลยเหรือนะมันก็มีอยู่แล้วนะแต่ว่าจะไม่ได้หนักหนาจนบางคลคิดว่าฉันก็ไม่ได้ทุกอะไรจริงจริงทุกข์อาจจไม่รู้ และที่แยกกันนั้นคือมันจะมีความทุกข์ที่หนักกว่า น, นั้นและทาไมฝึกตอนนี้เราจะไปฝึกตอนไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในยามที่ชีวิตเราสงบราบเรือนเป็นปกติเนี่ยมันคือเวลาที่เหมาะสำหรับการฝึกนะอย่าเอาเวลาที่สุขสบายนี้ไปใช้กับการเสพสุขนะหาความเพลิดเพลินใส่ตัวควรจำไวนว่าเป็นอย่างนั้นแหละนะ เวลาที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเวลาที่ยังมีชีวิตที่ราบรื่นมีคนรักอยู่พร้อมหน้าไม่ได้สนใจฝึกฝนตนเลยเอาแต่ปลนเปลือตนมากกว่าบางทีรู้นะว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่ว่ากลับคิดว่าเนี่ยในเมื่อบรรน้านจะต้องป่วยวันหน้าฉันจะต้องตายเพราะฉะนั้นตอนที่ฉันขอเสพสุกก่อนถ้ามันมีคําโฆษณาในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะในเมืองไทยเคยไปเห็นนะแถวกรุงเทพ เขมยนภาษาคิสสั้นๆ น, นะว่า life is short let's shopping ชีวิตนี้สั้นนักเพรา ะ, ะนั้นให้เรามาช้อปปิ้งกันดีกว่าก็ที่จริงแล้วเนี่ยคนฉลาดนะเมื่อรู้ว่าชีวิตมันสั้นคือต้องตายแน่เนี่ยแทนที่จะเอาเวลาที่สุขสบายนี้ไปช้อปปิ้งนะมันต้องเอามาใช้ส ก, การฝึกฝนตนนะรวมทั้งเรียนรู้จากความทุกข์ที่เกิดขึ้นเวลาเจออะไรที่ไม่ถูกใจก็ถือมาเป็นบทเรียนในการฝึกตน จเจนเจอรถติดเนี่ยนะแทนที่จะบ่นบวยวายก็เอามาเป็นแบบฝึกหัดในการฝึกจิตไม่ให้ตกทำยังไง ร, รถติดจิตไม่ตกนะเวลาเพื่อนเขายินทานะหรือว่าวิจาร์เราทำาไงใจเราจะไม่ทุกข์นะนัดเพื่อนมาแล้วเพื่อนไม่มาตามนัดทำยังไงใจจะไม่วิตกกังวลไม่ร้อนรุ่มนะ มันไม่ใช่ฝึกเฉพาะออกมาปฏิบัติธรรมในวัดในในคอร์สต่างๆเท่านั้นแม้แม้เพียงนั้นเนี่ยก็หลายคนก็ไม่เห็นความสำคัญแต่แม้จะเห็นความสำคัญก็ั้านาไม่พอนะมันก็ต้องฝึกจากชีวิตประจำวันฝึกจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะในชีวิตประจาวันแม้จะเป็นความทุกข์เล็กๆน้อยๆแต่ก็ เราก็รู้จักรักษาใจไม่ให้จิตใจกราดเกลียวโกโรธโมโหงุดหงิดถ้าคนส่วนให ญ, ญ่ไม่เห็นอย่างนั้นนะกลับไปมองว่าในเมื่อใชอฉันยังสบายยังหนุ่มยังสาวยังมีเงินมีทองก็ก็กนปนเปิดตนนะด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งเสพมากมา ย, ยาเห็นคนหนึ่งก็ปฏิบัติธรรมก็กลับบอกว่าจะปฏิบัติทาไมฉันยังไม่ทุกข์อะไรเลย อันนี้เป็นวิสัยของคนประมาณที่จริงแล้วเนี่ยยิ่งสุขสบายเท่าไหร่ตอนนี้ยิ่งเป็นโอกาสดีโอกาสเหมาสรการฝึกตนเพื่อให้พร้อมนะสำหรับความทุกข์ที่ต้องเกิดขึ้นในวันข้างหน้า